พระธรรมเทศนาแผ่นที่67ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สองกุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าพิษภัยที่ใกล้กตัว วันนี้พวกเราได้ยินไหมเสียงชนีร้องอนะมันจะหนาวแล้วมันจะอุ่นขึ้นคิดว่ามันคงจะหนาวนะหลวงพ่อว่านะเมื่อวานห <c oughs> ลว ง, งพ่อไม่ได้อยู่วัดเมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานหลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดไม่รู้ว่าหนาวหรืออุ่นแต่วันนี้รู้สึกวันหนาวนะ หนาวกว่าเมื่อเช้าวานนี้พอหลวงพ่อมันมาฉันที่นี่เมื่อวานไปฉันข้างนอกแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันอุ่นกว่านี้นะวันนี้รู้สึกว่าหนาวพอออกจากห้องมารู้สึกว่ า, นาหนาวหนาวเย็นวันนี้แล้วก็ได้ยินเสียงชนีอุตุประจำวัดของเราก็ประกาศอีกนะอุตุประจำวัดประกาศ ไม่รู้ประกาศไปทางร้อนหรือประกาศไปทางหนาวพวกเราฟังตีความหมายเลยใช่ไหมไม่ร้อนก็หนาวสองอย่างนี่ละปะไม่อุ่นก็หนาวนะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อวาน วันก่อนวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อไปพักที่วัดรวมธรรมเป็นนอนที่วัดรวมธรรมเมื่อคืนก่อนอไปร่วมงานของหลวงพ่อท่านรัตนะทำบุญครบร้อยวันหลวงพ่อที่ท่านบวชมาตั้ง40กว่าพันษาแล้วก็อายุ แปดสิบกว่ากับท่านมรณภาพในช่วงพรรษาก็ได้ไปชุมเพิงอยู่ที่วัดรวมธรรมอำเภอเพนแต่เมื่อวานวันก่อนน่ก็เป็นวันครบรอบร้อยวันญาติพี่น้องคณะสัตายาติโยมที่รู้จักมักคุ้นก็ไปร่วมกันทําบุญร้อยวันที่วัดรวมธรรมเมื่อวานรู้สึกว่า ท่านผู้วาราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายการวาสแล้วก็ท่านปลัดจังหวัดท น, นายอำเภอแล้วก็สำนักพุทธจังหวัดรู้สึกว่ามีผู้ใหญ่ไปเยอะแล้วก็เจ้ากรมอดีตเจ้ากรมทหารอากาศท่านบุญสืบเมื่อวานหน่ยหวยทหารเขาไป มาจากกรุงเทพสามสี่สิบคนเหมือนกันนะมากมากอยู่ชายาดโยมแล้วชาวพี่น้องชาวอุรานอีกไปตักบาทใสาบาทรู้สึกว่าอบอุ่นอุ่นน้าฟ้าข้างอาหารล้นหลามพระสงฆ์ทั้งหมดก็สี่สิบกว่าโรคเมื่อวานแต่ที่มากมากกว่านั้นคือท่านผู้การบุญสืบที่มาจากกรุงเทพ คราวก่อนท่านกทถวยจะตกปัจจัยมาหลวงพ่อกดซื้อรถแอมโบรแนซ์ให้กับโรงพยาบาลบนตึกอห อ, อโมนิธิพระอาจารย์อินทไวสันตุจ โ, จโ ก, โกเพื่อดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีในราคาถึงล้านเก้ามาจากกรมช่างอากาศหลวงพ่อกดซื้อมอกไปเรียบร้อยเลยเมื่อเดือน ต้นเดือนมกราที่ผ่านมาแต่คราวนี้ท่านถวายมาอีกเป็นเครื่องมือแพทย์ลักษณะอย่างไรสุดแท้แต่ทั้งเครื่องมือแพทย์ทั้งดูแลวัดทั้งดูแลอะไรต่อไม่อะไรนสุดแท้แต่ทางวัดจะเห็นสมควรหลวงพ่อก็บอกอทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรน่ย ทราบว่าท่านอยากจะได้เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงราคาก็ประมาณล้านเจแต่เมื่อวานได้ปัจจัยจากท่านมาประมาณล้านห้ากว่าก็เก็บรวบรวมอำเภอเพนเขาอีกได้ประมาณเกือบแสนมั้งก็ได้ประมาณล้านหกกว่าแต่ยังขาดอยู่นะยังขาดอยู่แต่ขาดอยู่ก็ก็มีผู้แสดงความจำง ขึ้นมาแล้วลนะ่ะบอกว่าทําปันจํานวนที่มันขาดขนาดนั้นนะ่ะก็ไม่มีปัญหาเขาปภาวณาก็เป็นอันว่าเครื่องมือตัวนี้มันจะอยู่อยู่ตัวอย่างเก่าหรือไม่พอเราสั่งซื้อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเดือนก่อนเดือนเดือนพฤศจิกาธันวาระว่านะวกมกระลาต้นๆเนี่นยเขาจะอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ แต่กว่าไม่น่าจะเปลี่ยนนะอันนี้ก็หลวงพ่อกําลังประสานอยู่ทางโรงพยาบาลแต่ถึงอย่างไงก็ตามหลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าจะยัดเยียดให้เขาทางโรงพยาบาลต้องเอาอย่างนี้เครื่องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นกะท่าว่าโรงพยาบาลมีความจําเป็นตัวอื่นแต่มันคู่ขี้กันราคาไม่แพงหรือว่าราคาต่ำกว่าเราก็พร้อมที่จะให้ได้ แต่ถ้าว่าราคามันสูงกว่าทางโรงพยาบาลต้องออกมาสมทบด้วยไม่ใช่ว่าจะให้เราไปหาให้ไม่เอาอถ้าไม่เอาแล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างเนี่ยเราให้โรงพยาบาลอื่นก็ได้เพราะไม่ได้จํากัดโรงพยาบาลไหนก็ได้ในประเทศไทยเนยในประเทศไทยเรามอบให้ได้ทั้งหมดนะนะพอเงินนี่ไม่ใช่เงินในจังหวัดอุดรใช่ไหม ه, เงินในประเทศไทย ه, มีผู้มาถวายมาจุดไหนที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนมีความจําเป็นจุดนั้นเราก็พร้อมที่จะอุดจุดนั้นแตแเ่เดี๋ยวนี้เรามองอยู่อุดอรก่อนพอดูอุดอรรู้สึกว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่แต่ก็เครื่องไม้เครื่องมือรู้สึกว่ายัางขาดอยู่มาก คนเข้ามาในโรงพยาบาลขนาดมาโรงพยาบาลตอนเช้าเข้ามาตรวจสุขภาพตรวจโรคเนเป็นสองสมพันะมันไม่ใช่น้อยนะพี่น้องประชาชนจัตไทายญาติโยมลูกหลานนะหลวงพ่อไปเห็นแล้วโ อ, อ้พวกเราอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าป่วยอย่าไข้น ะ, เ, ะเป็นไข้เลวมันไปเห็นแล้วหน้าจ้อยง้อยเงาเที่จะไปหาหมอไปรักษา ตรวจโรคตรวจสุขภาพนะมันไม่ใช่ของสนุกสนานนะเนี่ยละเมื่อวานดวงพ่อก็ได้รับจะตุปจะปัจจัยจากคณะของท่านผู้การบุญสืบอดีท่านผู้การบุญสืบจจมเจ้ากรมผลโทรนะเจ้ากรมทหารอากาศท่านเป็นผู้มีจิตศรัทธาท่านนี่พร้อมกับคณะนะ <c oughs> พ่อกลับมาเมื่อวานก็เกือบตอนไปบ่ายมาถึงวัดทุกอย่างก็เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรแต่ถึงอย่างไงก็ตามการประพฤติปฏิบัติธรรมพิษภัยของการเป็นอยู่ของมนุษย์โลกมันมีพิษอย่างนกทั้งหลาย นกทั้งหลายก็คือเหยื่ยวเป็นพิษภัยของนกนะแต่ละแต่ละอย่างนะมันก็ต้องมีพิษภัยอย่างพวกเราเห็นสรรพสัตว์ในโลกนะถ้าเป็นเก้งเป็นกวางก็เสือดาวเป็นพิษภัยต่อพวกเก้งกวางต่อหมูปานะ่าพวกโวกกระทิงควายปานะ่าสิงโตเป็น เป็นพิษเป็นภยัยเสือดาวเสือโค้งเป็นพิษเป็นภัยต่อสรรพสัตว์แต่แต่ละกลุ่มแต่ละหมู่นะั่นก็มันล้วนแล้วแต่พิษภัยมันมีอยู่แต่ละกลุ่มของสัรพสัตต์ทั้งหลายแต่ขนาดมนุษย์อยู่ด้วยกันก็ยังมีพิษภัยอีกึพิษภัยของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันคืออะไรน และพิษภัยอยู่ในตัวของเราอีกคืออะไรพิษภัยในตัวของเราทุกๆคนพระพุทธเจ้าท่านไปดูรู้เห็นแล้วว่าคือกิเลสแตนว่ากิเลสจะเป็นพิษภัยอย่างร้ายแรงของมนุษย์นี่พบที่พระพุทธเจ้าไปคน่ oh นคะว้ากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะากิเลสราคะที่พระพุทธเจ้าได้ ไปบำเพ็ญอยู่ที่โครนต้นโพวันเดือนหกเพนตตอนหัวค่ำพญามารเสนามา น, นางตันหาราคาอรดีเข้ามาลบ ก, กวนสู้กับพระพุทธเจ้าถ้าว่าไม่มีสัจจะอธิษฐานอย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าคงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นอันนี้ท่านมีความมั่นคงตั้งจิตสัจจะอธิษฐานโดยน้ำประทัย นางธรณีบิดมวยผมน้ำนองไปพยามาลก็เลล้ลมระดีรนาดออกไปทั้งหมดน้ำพระไทยของพระองค์นเปว่าความหนาแน่นหนักแน่นในน้ำพระไทยของพระองค์ทุกอย่างทั้งเมตตาทั้งสัจจะทั้งอธิษฐานทั้งความมั่นคงในพระไทยของพระองค์ เอาชนะสิ่งที่เป็นอัิโมงข์คนสิ่งที่ไม่ดีได้นี่แหละอันนี้ก็คือพิษภัยติปพระพุทธองค์ทีต่ตัดสู้ในวเครื่อโคนต้นโพเนคือกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้ทางเราออกมาเปรียบเทียบออกมาเป็นขยักขยักดูเนแต่ว่าเปรียบเทียบกับคนคนเราพวกเรานี่ พิษภัยของคนเราคืออะไรมีมากมายหลายๆอยา่างมันอยู่ใครจะอยู่ในระดับไหนถ้าระดับหนึ่งเขบอกว่านะยาเสพติดให้โทษเป็นพิษภัยอย่างร้ายแรงอย่างที่พวกเรารู้ ร, รู้เห็นเห็นแต่ใครก็อยากทดลองดูอยากจะเสพดูตามไม่จริงการเสพและการทดลองนะเขาก็บอกแล้วบอกว่าไม่เกินสามครั้งคนหนึ่ง อย่างมากถ้าเสพคืนเสพเข้าไปก็ติดทันทีเลยไม่ได้ไม่ได้เลือกว่าใครทั้งหมดพราะนะัอย่าทดลองอย่าจะไปใช้อย่าไปทดลองอย่าไปเสพให้หนีไกลที่สุดอย่าไปคิดเลยอันนั้นคืออสุรพิษอันนั้นคือภยัยถ้าคิดได้อย่างนี้แต่ที่แรกก็ก็ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ถ้าใครอยากจะทดลองไม่ราคาเนี่เก่งไม่มีอะไรเนาะทดลองรู้ เกิดมาทั้งทีชีวิตสิ่งไหนที่เขาบอกมันเลวทดลองดูสิเป็นยังไงนั่นแหละเอาชีวิตของตัวเองไปทดลองเขาบอกได้เลยบอกว่าทางว่าไปดื่มน้ำในจุดเดียวอยากจะให้ใครติดยาเสพติดเอาน้ําใส่ในแก้วให้กินครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสานะมเอเท่านั้นแหละไปว่าติดยาเสพติดติดไปเลย นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นพิษภัยอย่างร้ายแรงแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพิษภัยอย่างร้ายแรงของมนุษย์คือสรพสัต์ในโลกนะั่นคือกิเลสตัณหาราคานะตัวราคะตัณหานี่แลเป็นพิษภัยอย่างร้ายแรงของมนุษย์ของสัพสัตทั้งหลายที่เกิดอยู่ในโลกนะที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาที่โครนต้นโพท่านบอกตรัสอย่างนั้น ถ้าท่านผู้ใดก็ตามตัดกามกิเลสคือการตัณหาได้ไม่ลงมาเหยียบโลกนี้อีกคือเข้าไปสู่พระอนาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็นั้นไม่ลงมาเหยียบโลกอีกคือผู้ตัดการมกิเลสคือตัณหากับโทสะได้เด็ดขาดยังเหลือแต่มโมหะอย่างรุ่มหลงยังติดอยู่ในดวงใจของกิเลส เจสัพสัตคนนั้นถ้าหากว่านอกจากนั้นลงมาแล้วกาบิเลตตัวนี้แหละเป็นยาเสพติดอย่างร้อยแรงทำให้โลกทั้งหลายเตือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวหัวและแห่งอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บ่าเป็นพิษภัยในการเป็นอยู่ของสัพสัตทั้งมวลไม่ว่าสติราชาน ไม่ว่ามนุษย์จนถึงอินมีแต่พรมนั่นนะพรมนียเป็นเอกเทศอยู่ด้วยปีติสุขเอก ก, ะกะตาในพรมแต่สวรรค์ทุกชั้นตั้งแต่พระอินทร์ลงมาอยู่ด้วยกาหมกิเลสต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายแปลว่าติดยาเสพติดอย่างร้อยแรงตัวนี้แต่พูดไม่ได้ ถ้าพวกสามัญชนเราพูดเนี่ยนเป็นแปลว่าเอามาพูดเอามาประจานกันเพราะมันติดเป็นยาเสพติดทุกคนออ <c oughs> แต่เอาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเอายกพระธรรมคำสอนของพระพุทธ <c oughs> เจ้ามาเป็นกระจกเงาพอทาําเงาแต่ถ้าจะพูดแบบดุ่ยขึ้นมาเนี่ยไม่ได้โลกทั้งโลกเขาอประนามเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นยาเสพติด เป็นยาเสพติดกับทุกคนอันนี้ก็คือยาเสพติดอย่างร้ายแรงของสรรพสัตต์ทั้งหลายในโลกที่เล่าให้ฟังในี่คล้ายๆหลวงพ่อเพียงแต่ชี้ประเด็นให้ดูว่าจริงไหมจริงแล้วไม่จริงพวกเราต้องไข ค, ควรทบทวนดูอีกที่นึงมันจริงไหมอันนี้เพียงแต่ชี้ให้ดูถ้ามันจริงอยู่ในใจถ้ามันจริ ง, ใ, ใ, รงใช่สี่งน้จริง อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายอย่างฝ่ายพระสงฆ์พิษภัยของพระสงฆ์คืออะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพิษภัยของนกคืออะไรก็คือเยี่ยวนะพิษภัยของปลานี่ยคืออะไรเออคือพวกปลาฉลามปลาช่อนปลาชะโนะพวกหาอะไกินปลาอื่นมันเป็นแต่แตละกลุ่มมันเป็นมีพิษภัยของแต่ละคนเหมือนกัน อย่างฉลามอยู่ในทะเลเป็นหากินคนอื่นอย่างนี้เป็นตน้นแต่นกก็ต้องพวกเหี่ยวพวกไก่ทั้งหลายคือพวกกาพวกอีกาไปหากินไข่เขางู <c oughs> เป็นพิษภัยต่อต่อสรรพสัตว์แต่ละพวกแต่นี้ฝ่ายพระสงฆ์ถ้าเป็นพระนักบวชอย่างเนี้ยพิษภัยของพระนะ่ยคืออะไรนย มันก็มีเหมือนกันนะสถาญาตโยมนะเหมือนกับพวกงกอยู่ในป่าคือเหี่ยวเป็ น, ปนพิษภัยแต่พิษภัยของพระสงฆ์นี่หลวงพ่อที่เป็นพระสงฆ์บวชตั้งแต่เป็นเนนน้อยมาจนถึงปานนี้ล้วมอายุถึงเจ็ดสิปีปีเนี่ยหลวงพ่อมองมองดูทบทวนดูแล้วพิษภัยของพระสงฆ์ที่ร้ายแรงนอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดนะมีสองอย่างนะ มีอะไรคือผู้หญิงกับเงินอันนี้ให้ระวังอันนี้หลวงพ่อพูดเตือนพวกลูกๆของหลวงพ่อนะให้ระวังต้องสองตัวเนี่ยให้ระวังให้ระวังถ้าหากว่าเตรียมตัวเตรียมพร้อมระวังจุดนี้ได้หลวงพ่อตลอดปลอดภัยแต่หาว่าเตรียมตัวรักษาตัวนี้ไม่ได้นะอันตราย พวกอสรพิษพวก เ, ออเงินคืออสรพิษอย่างที่หลวงพ่อพูดออแล้วก็ผู้หญิงออทั้งนักพศฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกันที่เข้ามาบวชในเป็นนักพศนักบวชรักษาศีลอุโบโสถรักษาศีลแปดเพศภัยของนักพศฝ่ายผู้หญิงคืออะไรก็คือตัวนี้อีกเหมือนกันเ อ, อไม่แพ้กัน แต่ทั้งพิษภัยของคารวาสคืออะไรอก็เหมือนๆกันคล้ายๆกันแต่ว่าการเป็นอยู่นั้นมันแปลกแตกต่างกันสรุปแล้วก็ ค, อคกือต่างคนก็ต่างมีเพราะต่างคนก็ต่างมีแล้วก็ต่างเอาไฟขโมยเผากันจุดไปจุดไฟในที่รับจุดไฟในที่แจ้งเผากันอันนี้คือความเดือดร้อน แต่ถ้าว่าต่างคนต่างมีไฟแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมทุกคมาหุงหาอาหารมาให้เผามาทําอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไฟทําให้เป็นคือแสงสว่างมันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าเอามาใช้ให้ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษอย่างร้ายแรงนี้ก็เหมือนกัน่ ต่างคนก็ต่างมีเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองขอย้ำเตือนให้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้เรามาระวังเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างพราะเราได้ยินขึ้นมาแต่ละครั้งนี่ยหลวงพ่อเป็นนักพจนักบวชมาอยู่ปนูนณีหลวงพ่อก็จะดุ้งเหมือนกันนะเพราะมันเรื่องเกี่ยวเรื่องพระพุทธศาสนา เกี่ยวเรื่องกับพระพุทธศาสนาพอได้ยินมาถึงมาในที่รับมาในที่แจกมาที่เปิดเผยมาที่หนังสือพิมพ์มาตามข่าวอะไรก็ตามนะ่ะพอหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ไม่สบายใจในเรื่องที่ได้ยินมาแล้วนั้นเ อ, อพระ น, นหลวงพ่อจึงได้พูดและย้ำเตือนให้กับหมู่พวกเพื่อนพระสงฆ์สัมมาณีน้องนุ่งทางหลาย แล้วก็ตลอดถึงผู้เป็นนักพรตนักบวชให้จะทำอะไรก็าตามต้องคิดถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดถึงส่วนรวมส่วนกลางที่พวกเราท่านทั้งหลายเชิดชูบูชานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธังธรรมังสังขังสรารนางคชฉามิ ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งวันั้นพวกเราในฐานะพระสงฆ์ก็ยึดถึงว่าสากยบุตรพุทธชินนรสพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าถึงท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นสาเจ้าสากยะแต่พวกเราในเป็นลูกตาสีตามาตาสีตาสาทําไร่ทํานาทำํำรดทำสวนแต่พระพุทธเจ้าก็ยังอยอมรับว่าผู้บวช เข้ามาแล้วปฏิบัติตนดังต่อไปนี้เป็นผู้มีศีลสองยิเเป็นผู้มีธรรมอยู่ในจิตในใจอันนี้คือลูกของเราตถาคตเรารับว่าเป็นสากกยะบุตรเพราะนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นเข้ามาบวชเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งไหนที่จะเป็นพิษภัยไม่เป็นตามไม่เป็นตามแนวแถวของพ่อ คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงค์เป็นผู้เป็นพีเลี้ยงของพวกเราที่นำมาประพฤติธปฏิบัติพวกเราก็อย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในในเรื่องนั้นนั้นรับสํารวมระวังให้สํารวมให้ระวังในเรื่องนั้นน น, นี่แหละขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านแต่ถึงยังไงก็ตามนะสำหรับหลวงพ่อเอง หลวงพ่อก็ไม่ได้เกิดในครั้งพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดในครั้งนน้นบางทีอาจจะผิดอาจจะถูกการกระทําของเราแต่ถือยังไงก็ตามเราก็พยายามเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินแต่หลวงพ่อได้ศึกษากับใครก่อนศึกษามาในพระไตรปิฎกก็พอสมควรในอ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎก จากนั้นกับพ่อแม่ครูอาจารย์คือองค์หลวงตาท่านก็เคยผ่านทางปริยัติมาโดยเป็นได้เป็นมหาท่านก็เรียนรู้มาทางทางพ ร, พระบาลีทั้งพระมหาจากนั้นท่านก็ได้ปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นท่านก็มั่นใจในธรรมในพัฒนาในใจของท่านในใจของหลวงตาท่านก็ประกาศออกมาบอกออกมาว่านี่เราได้ เป็นเศรษฐีแล้วนะแต่คนทั้งหลายก็พูดว่าเอาทําไมอวดอุตตริมนุสธรรมแต่หลวงตาก็บอกว่าเราไม่ได้อวดเราพูดให้ฟังเราได้เงินสิบบาทเราก็นึกว่าเราได้เงินสิบบาทแต่นี่เราได้เงินเอเป็นร้อยล้านแล้วนะเราก็บอกว่าเรา ไ, ได้เงินร้อยล้านแล้วนะังผิดที่ตรงไหนพระเราได้แล้วนะอันนี้ก็เราพูดตามความเป็นจริง อันนี้หลวงตาท่านก็กล้าพูดกล้าแสดงให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี่แหละอันนี้ก็คือเราก็เดินตามแนวแถวที่องค์หลวงตาแต่จุดไหนที่มันจะเกินไปออในเรื่องที่เห็นช้างขี่ขี่ตามช้างก็ไม่ใช่เราก็พยายามแนวแถวองค์หลวงตาพาดำเนินเรื่องศิลวิทยในเรื่องการเป็นอยู่ในชุมชนสังคม เรานี่แหละอันนี้เราก็ต้องมองมองดูมองดูทั้งหลวงปู่ล่าด้วยทั้งหลวงตาด้วยครูบาอาจารย์ที่เป็นสหธรรมมกด้วยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองหลวงตาบัาง่งนี่แหละจากนั้นเราก็เดินตามแนวแถวครูบาอาจารย์พาดำเนินแต่หลว ง, งพ่อเองก็มั่นใจมั่นใจในการเดินตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมัน ทั้งค ด, ดีโลกและค ด, ดีธรรมก็ไม่ได้ทําให้คนผู้ใดใครผู้หนึ่งเดือดร้อนในการดาเนินมีแต่ให้ได้รับความพรมเย็นเป็นสุขทางกายทางใจทางกายกันแนะนําไปทางศีลและธรรมอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเน้อให้มีศีลมีธรรมเน้อการอยู่ด้วยการลูกหลานทุกคนเรื่องแนวความคิดเอออย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเน้อ นรกสวรรค์มีจริงนะบาปูนคุณโทษมีจริงนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะให้พวกเราศึกษาให้ศึกษานะให้ปฏิบัติเนอะถ้าเราปฏิบัติตนดีคิดดีทาดีพูดดีปฏิบัติศีลธรรมคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมที่ดีแล้วนะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปแต่ความผาสุขเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานะ นี่แหละอันนี้ก็คือแนวความคิดที่หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับพวกเราลูกหลานพระเนรทุกองตลอดถึงพี่น้องประชาชนพิษภัยพิษภัยของแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนพิษภัยของพระเนรพิษภัยของคู่คนพิษภัยของสรรพสัตว์ท่างหลายในโลก ที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าในทางพระพุทธศ า, าสนาพิษภัยของของสรรพสัตว์ในโลกนะั่นคืออะไรนะ น, นั้นคือต้นตอเลยนะพระพุทธเจ้าไปหาค้นหาต้นตอเลยอพิษภัยต้นตอของสรรพสัตว์ในโลกที่เกิดมาอนะจากนั้นเมื่อเกิดมาแล้วลยนะพิษภัยแต่และกลุ่มไม่เหมือนกันอีกออย่างเหยี่ยวอย่างนี้ไม่เป็นพิษภัยกับมนุษย์นะมีแต่มนุษย์จะเป็นพิษภัยกับเหยี่ยวอีกต่างหาก แต่นกทั้งหลายเนี่ยเป็นเกี่ยวเป็นพิษภัยต่อนกทั้งหลายอยู่ในวัดของเราเห็นไหมพวกแมวทั้งหลายเเป็นพิษภัยต่อกอรอกกระแตต่อหนูอในวัดของเราเห็นไหมอืมพระนัุ์สัตว์สัตว์ทั้งหลายแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่แต่ละขนาดสรุปแล้วยามาเกิดดีที่สุดนชําระกิเลสอย่างพระพุทธเจ้าท่านพระกําชาระกิเลสราคะโทสะโมหะ จิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหละไม่มาเกิดอีกมไม่ไมมาเวียนไหวตายเกิดอีกนั่นแหละบรมมัสุขนะแต่ถ้าว่าพวกเรายังมาเวียนไหวตายเกิดอยูน่นะโอ้ไมพบใดก็ต้องชาติหนึ่งนะต้องเจอเออต้องเจอไม่อันใดก็ต้องเจออันหนึ่งเรื่องทุกเนี่ย น, นะแต่สรุปแล้วก็คือเจอความตายนะเจอมรณภัยจุดนั่นแหละใครใครไม่พึงปรารถนานะทุกขนาดไหน เจอมรณะภัยในจุดนั้นถ้าเกิดมาก็ต้องมาเจออีกเกิดมาก็ต้องเจออีกเออถ้าไม่ถาไมมาเกิดไม่ไม่ได้เจอมรณะนะเพราะไม่เกิดก็ไม่ตายนั่นแหละพระพุทธเจ้าว่าอย่ามาเกิดเนาะสิ่งที่ไ ม, ไม่ไม่ให้มาเกิดนั่นคืออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะชําระแล้วก็ไม่มาเกิดอีกแล้วนะทำหมดกิเลสการพวกเราศึกษาและฝังเอาไว้นะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร